18ธรรมะทายาทวิพังหนึ่งสรรพสังฆาหิกกวานวาระว่าดยการรวบรวมตภาวธรรมทั้งหมดเก้ขันมีเท่าไรอายตนะมีเท่าไรธาตุมีเท่าไรสัจจะมีเท่าไรอินทรียมีเท่าไรเหตุมีเท่าไรอาหารมีเท่าไร ภัฒสมีเท่าไรเวทนามีเท่าไรสัญญามีเท่าไรเจตนามีเท่าไรจิตมีเท่าไรขันธ์มีหอายตนะมี12ทธาตุมีส8สัจักมีสอินทรีมียี2เหตุมี9อาหารมีสภัฒสมีเจเวทนามีเจสัญญามีเจเจตนามีเจ จิตมี7 97 979บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นขันห้าเป็นฉไนะขันมีห้าคือหนึ่งรูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าปิญญาณขันเหล่านี้เรียกว่าขันห้า 980. อายตนะ12สองเป็นฉนหนอายตนะ12สองคือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะสศรัทธายตนะ 5. ้าคานายตนะ 6. คันทายตนะ 7. ชิวหายตนะ 8. ประษายตนะ 9. กายายตนะ0ิบโพธพายตนะ1ิมนายตนะ2ิธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ2ิบสองาร้อยเ็ท่าปเป็นฉไนท า, า18คือ 1. จกักขุท่า 2. รู ป, ปรท่า 3. จักุวิญญาณาตตาาธาตุสโสตธาตุหสัตธาตุ6โสตวิญญาณธาตุเคานธาตุแคันธททาตุเกาคานวิญญาณธาตุสิชิวหาธาตุสิบเรถสธาตุ 12. ชิวหาวิญญาณธาตุสิสากายธาตุ 14. โพธพธาตุ 15. กายวิญญาณธาตุ 16. มโนธาตุ 17. ธรรมธาตุ 18. มโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุ18 982. าสัจจะสี่เป็นฉนัสัจจะสี่คือหนึ่งทุกขสัตว์สสมุทัยสัตว์ต 2. สมรรคสัตว์ส นิโรสัว์เหล่านี้เรียกว่าสัจจสี983อินรีย22เป็นฉนัยอินรีย22คือ1จะขุนสี2โสตินสี3คานินสี4ชิวหินสี5กายินสี6มนินสี7อิทธินสี แปุริสินสีเ 9. ชีวิตินรีส 10. สุขขินรีส1บเอทุกขินรีสิโสมนัสินรียิบโทมนัสินรียิ4สุเปกขินรีสิสัตตินรียิบวิริยินรียิบสตินรียิบแสมาธินรียิบปัญญินรี อันัญญาตัญยัตสามีตินรียีอัญยินรียีอัญญาตาวินรีเหล่านี้เรียกว่าอินทรีเยแ2ดสเหตุ9เป็นชนะไหนเหตุ9คือกุศลเหตุสาอกุศลเหตุสามและอพยากตาเหตุ สบรรดาเหตุเก้าเหล่านั้นกุตลเหตุสามเป็นฉนัยกุศลเหตุสามคือกุตลเหตุครรือโลภะกุตลเหตุครรือโทสะและกุตลเหต์คือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ารรออกุตลเหตุสามอกุตรเหตุสามเป็นชนอกุตลเหตุสามคือ อกุตรเหตุคือโลภะอกุศลเหตุคือโทสะและอกุศรเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่าอกุศลเหตุสามอัพยากตะเหตุสามเป็นฉไนอัพยากตะเหตุสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากเหงสภาวธรรมที่เป็นกุศลหรือในสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตะกิริยา เหล่านี้ชื่อว่าอพยากาตาเหตุสามเหล่านี้เรียกว่าเหตุ 9.985 อาหารสี่เป็นฉไนะอาหารสคือ 1. กัวลิงการาหารอาหารคือคำข้าว 2. ผัสสาหารอาหารคือผัสสะ 3. มโนสัญเจตนาาหารอาหารคือมโนสัญเจตนา สีวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าอาหาร4 986ภัสสะเจ็ดเป็นฉนหนภัสสะเจ็ดคือ 1. จักขูภัสสะโสตสัมผัส 3. คานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัส 6. มโนธาตุสัมผัส 7. มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าผัสเจาสิบเจเวทนาเจ็ดเป็นฉนเวทนาเจ็คือ 1. เวทนาที่เกิดแต่จากขู่สัมผัส 2. เวทนาที่เกิดแต่สดสัมผัส 3. เวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัส สเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส 5. เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัส 6. เวทนาที่เกิดแต่มนโนาธาตุสัมผัส 7. เวทนาที่เกิดแต่มนโนวิญญาณาธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเวทนา7 9็ดสัญญา7เป็นฉไนะสัญญา7คือ 1. สัญญาที่เกิดแต่จักขคูสัมผัส 2. สัญญาที่เกิดแต่โสดตัดสัมผัสสสัญญาที่เกิดแต่คาณสัมผัสสีสัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสห้าสัญญาที่เกิดแต่กายสัมผัสหกสัญญาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส 7. สัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสัญญาเจ็ดเก้าร้อยแปดเก้าเจตนาเจ็ดเป็นฉไหน เจตนาเคือ 1. เจตนาที่เกิดแต่จักสุสัมผัส 2. เจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส 3. เจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัส 4. เจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส 5. เจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัส 6. เจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัส 7. เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหล่านี้เรียกว่าเจตนาเจ็ ด, 90, จดเจิตเเป็นฉนจิตเคือ 1. จักุวิญญาณสองโสตวิญญาณสคานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ 6. มโนธาตุเมโนวิญ ญ, ญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิตเจ็ด 2. อุปตานุปปติวานวาระวัติการแสดงสภาวธรรมที่เกิดได้และไม่ได้ 1. กามธาตุธาตุในกามภูมิเก้ในกามธาตุขันธ์มีเท่าไรอายตนะมีเท่าไรธาตุมีเท่าไรสัจจามีเท่าไรอินทรีมีเท่าไรเหตุมีเท่าไรอาหารมีเท่าไร ภัตสมีเท่าไรเวทนามีเท่าไรสัญญามีเท่าไรเจตนามีเท่าไรจิตมีเท่าไรในกามธาตุขันธ์มีหอายตนะมี12ทธาตุมี18สัจจะมีสอินทรีย์มี22เหตุมี9อาหารมีสีภัตสมีเจเวทนามีเจสัญญามีเจเจตนามีเจ มีเจ็ดบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นขันห้าในการมาธาตุเป็นฉไหนะขันห้าในการมาธาตุคือ 1. รูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขัน 4. สี่สังขารขันห้าวิญญาณขันเหล่านี้เรียกว่าขันห้าในกามาธาตุ อายตนะ12ในการมาธาตุเป็นไนาอายตนะ12ในการมาธาตุคือ 1. จักรยายตนะ 2. รูปลายตนะเป็นต้นละ11มนายตนะสิ 12. ธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะ12ในการมาธาตุธาตุสิในการมาธาตุเป็นไงธาตุสิบแในการมาธาตุคือ 1. จักกูธาตุสรูปธปาตุสามจักขูวิญญาณธาตุเป็นต้นละ16มโนธาตุสิธรรมธาตุสิมโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุสิบแในกามธาตุสัจจสามในกามธาตุเป็นฉไ น, นสัจจสามในกามธาตุคือ 1. ทุกขสัตว์สองสมุทัยสัตว์ สา ม, มักคสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัจจะสในกามาธาตุอินทรียี22ในการมาธาตุเป็นฉไนอินทรียี2สในการมาธาตุคือ1นึ่จขุนศสองโสตินทรียเป็นต้นละ22อัญญาตาวินทรีเหล่านี้เรียกว่าอินทรียี2สในการมาธาตุเหตุ9ในการมาธาตุเป็นฉไน เหตุเในกามธาธาตุคือกุศลเหตุสอกุศลเหตุสามและอัพยากตาเหตุสามเหล่านี้เรียกว่าเหตุ9กในกามธาธาตุอาหารสี่ในการมธาธาตุเป็นฉไนอาหารสในกามธาธาตุคือ1กวริงการาอาหารอาหารคือคำข้าวสผัสสอาหารอาหารคือผัสสะ 3. มะโนสัญเจตนาอาหาร อาหารคือโมโนสัญเจตนาสีวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าอาหารสี่ในการมาธาตุพัสสะเจตในการมาธาตุเป็นฉไนภัสสะเจตในการมาธาตุคือจักขูสัมผัสเป็นต้นละเจ็มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าภัสสะเจตในการมาธาตุเวทนาเจตในการมาธาตุเป็นฉไน เวทนาเ็ดในการมาธาตุคือ 1. เวทนาที่เก yes. ิดแต่จากขูสัมผัสละ 7. เจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเวทนา7ในการมาธาตุสัญญา7จดในการมาธาตุเป็นไงสัญญา7จดในการมาธาตุคือ 1. สัญญาที่เกิดแต่จากขูสัมผัสเป็นต้นละ 7. สัญญาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัส เหล่านี้เรียกว่าสัญญา7ในการมาธาตุเจตนาเจในการมาธาตุเป็นฉไนเจตนาเจในการมาธาตุคือ1เจตนาที่เกิดแต่จักรุสัมผัสและ7เจตนาที่เกิดแต่มโนโวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเจตนาเจในการมธาตุจิตเตในการมาธาตุเป็นฉน จิตเจ็ในการมาธาตุคือ 1. จักขูวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ 6. มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิตเจ็ในการมาธาตุสองรูปธาตุธาตุในรูปภปูมิ เก้ในรูปประธาต์ขันมีเท่าไรจิตมีเท่าไรในรูปประธาต์ขันมีหอายตนะมี6กธาตุมี9กสัจจะมีสอินทรีย์มี14เหตุมี8อาหารมีสาภัตสมีสเวทนามีสสัญญามีสเจตนามีสจิตมีส9่เ บรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นขันห้าในรูปธปาตุเป็นไนขันห้าในรูปธปาตุคือ1รูปประขันเป็นต้นละ5วิญญาณขันเหล่านี้เรียกว่าขันห้าในรูปธปาตุอายตนาหในรูปธปาตุเป็นไนาอาญตนาหในรูปธาตุคือ1จักรายญาติสองรูปายญาติ สโสตายตนะสสัทธายตนะหมนายัตนะหธรร ม, มายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะหในรูปพระธ า, าตุธาตุเในรูปพระธาตุเป็นฉไหนธาตุเในรูปพระธาตุคือ 1. จักขูธาตุสรูปพระธาตุสจักขูวิญญาณธาตุสโสตธาตุหสัทธาาตุหโ ส, ต, หสตวิญญาณธาตุ เมโนธาตุแธรรมธาตุเก้ามโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุเในรูปประธาตุสัจจะสาในรูปประธาตุเป็นไนสัจจะสในรูปประธาตุคือ 1. ทุกขสัจจะสสมุทยัย ส, สัจจะสมรรคสัจจะเหล่านี้เรียกว่าสัจจะสในรูปประธาตุอินทรีสิบส ในรูปธาตุเป็นฉนัยอินทรีสิบสในรูปธาตุคือ 1. จักขุนรีสองโสตินรีสามมนินสีสี่ชีวิตินรีย้าโสมณัตสินรีหกอุเปกขินรีเจ็สัตินสีแปดวิริยินรีเก้สติินรีส10สมาธินสีสิบเปัญญินรีสิบส อนัญญาตัญยัตสามีตินสีสิบสอัญยินรีสิบสี่ 14. อนาตาวินรีเหล่านี้เรียกว่าอินรียิบสในรูปพระธาตุเหตุแปดในรูปพระธาตุเป็นฉไนะเหตุแปดในรูปพระธาตุคือกุตสลเหตสาอกุศลเหตสองและอัพยากตาเหตสามบรรดาเหตแปดนั้น กุตระหีดสในรูปธาตุเป็นไนกุนตรเหตุสามในรูปธาตุคือกุตรเหตุคืออโรมะกุตรเหตุคืออโทสะและกุตรเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากุตรเหตุสามอกุตรเหตุสองเป็นไนอกุตรเหตุสองคืออกุตรเหตุคือโลภะและอกุตรเหตุคือโมหะ เหล่านี้ชื่อว่าอากุตระเหตุสองอภยากตเหตุสามเป็นฉนัยอภยากตเหตุสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลหรือในสภาวธรรมที่เป็นอภยากตกิริยาเหล่านี้ชื่อว่าอัพยากตเหตุสามเหล่านี้เรียกว่าเหตุแปดในรูปปัทห์ อาหารสามในรูปธปาตุเป็นฉไนาอาหารสามในรูปธปาตุคือหนึ่งพัสสาหารสองมโนสัญเจตนาหารสามญญาณาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหารสามในรูปธปาตุพัจจศีในรูปธปาตุเป็นฉไนพัจจศีในรูปธปาตุคือหนึ่งจักขูสัมผัสสองโสตสัมผัส สามมโนธาตุสัมผัสสมโนวิญญาณธาตุสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าภัรษาสี่ในรูปธาตุเวทนาสี่สัญญาสเจตนาสี่จิตสี่ในรูปธาตุเป็นฉไนจิตสีในรูปธาตุคือหนึ่งจักวิญญาณสองโสตวิญญาณสามโนธาตุสมโนวิญญาณธาตุเหล่านี้เรียกว่าจิตสีในรูปธาตุ สอรู ป, ปราธาตุธาตุในอรูปภูมิเก้ร้อยเิบห้ในอรู ป, ปราธาตุขันธ์มีเท่าไรเป็นต้นละจิตมีเท่าไรในอรู ป, ปราธาตุขันธ์มีสอายตนะมีสองาธาตุมีสองสัจจะมีสมอินทรีย์มีสิเอเหตุมี8อาหารมีสาภัตสมีหนึ่งเวทนามีหนึ่งสัญญามีหนึ่งเจตนามีหนึ่ง จิตมี1 996งเก้าราสิบรรดาทพาวะธรรมเหล่านั้นขันสี่ในอรูปธปาตุเป็นฉนขันสี่ในอรูปธาตุคือหนึ่งเวทนาขันสองสัญญาขันสามสังขารขั น, ส, ส, ขนสี่วิญญาณขันเหล่านี้เรียกว่าขันสี่ในอรูปธาตุอายตนะสองในอรูปธปาตุเป็นฉไน อายตนะสองในอรูปธาตุคือมนาอยตนะและธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะสองในอรูปธาตุธาตุสองในอรูปธาตุเป็นฉไนธาตุสองในอรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุสองในอรูปธาตุสัจจะสในอรูปธาตุเป็นฉไนสัจจะสในอรูปธาตุคือ1นึ่งทุกขสัจ สสมุทัยสัตว์สามรรคสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัจจะสในอรูปธาตุอินทรีสิบเอแนวรูปธาตุเป็นฉไนอินทรียิ1เอแนวรูปธาตุคือ1มนินทรีสองชีวิตอินทรีสามโสมนัสอินทรีสี่อุเปกขินทรีห้าสติอินทรีหกวิริยินทรีเจ็ดสติินทรีแปดสมาอินทรีย เกปัญญินสี่ 10, สิบอัญญินรี่สิบอัญญาตาวินรี่เหล่านี้เรียกว่าอินสี่สิบในอรูปธาตุเหตุ8ในอรูปธาตุเป็นไนะเหตุ8ในอรูปธาตุคือกุศลเหตุสามอกุศลเหตุสองอภยกระตเหตุสามเหล่านี้ เรียกว่าเหตุ8ในอรูปธาตุอาหารสในอรูปธาตุเป็นไนอาหารสมในอรูปธาตุคือ 1. นผัสสะอาหารสองมโนสัญเจตนาอาหาร 3. วิญญาณอาหารเหล่านี้เรียกว่าอาหารสามในอรูปธาตุผัสสะหนึ่งในอรูปธาตุเป็นไน ประตะหนึ่งในอรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสนี้เรียกว่าภัสสะหนึ่งในอรูปธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งในอรูปธาตุเป็นไฉนจิตหนึ่งแนรูปธาตุคือมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าจิตหนึ่งในอรูปธาตุสีปริยปัญญาธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก 9กในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกขันมีเท่าไรจิตมีเท่าไรในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกขันมีสี่อายตนะมีสองธาตุมีสองสัจมีสองอินทรีย์มีสิบสองเหตุมีหกอาหารมีสามภัตสมีหนึ่งเวทนามีหนึ่งสัญญามีหนึ่งเจตนามีหนึ่งจิตมีหนึ่ง 998บรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นขันสี่ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นฉไนะขันสี่ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์คือ 1. เวทนาขันสองสัญญาขันสามสังขารขันสี่บิญญาณขันเหล่านี้เรียกว่าขันสี่ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ อายตนะสอง th tours, ah ในธรรมที th ่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกเป็นไฉไรอายตนะสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกคือมนายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้เรียกว่าอายตนะสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกธาตุสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกเป็นไฉไธาตุสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกคือมโนวิญญาณธาตุและ ธรรมธาเหล่านี้เรียกว่าธาตุสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สัจจะสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นไนสัจจะ2ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์คือมัคคัศจจะและนิโรธสัจเหล่านี้เรียกว่าสัจจะสอในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์อินทรีย์สิในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นไน อินทรีสิบสองในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกคือ 1. มนินทรี 2. ชีวินทรี 3. โสมณัสสินทรีสี 4. อุเปกขินทรี 5. ้สัตตินทรี 6. วิธิยินทรี 7. สตินทรี 8. ปสมาธินทรี 9. กปัญญินทรี 10. อนัญญาตัญญศสามีจินทรี 11. อัญญินทรี 12. อัญญาตาวินสีเหล่านี้เรียกว่าอินรี12ในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกเหตุหในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกเป็นฉไนเหตุหในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกคือกุตลเหตสามและอัพยากตะเหตสามบรรดาเหตุหเหล่านั้นกุตลเหตสามเป็นฉน กุศสเหตุสคือ1กุตสาเหตุคืออโลภะ2กุตสาเหตุคือโทสะ 3. กุศลเหตุคือโมหะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหตุสามอภยกตาเหตุสามเป็นฉไหนอัพยกตาเหตุสามคืออโลภะอโทสะและอโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเหล่านี้ชื่อว่าอัพยาการตะเหตุสามเหล่านี้เรียกว่าเหตุหกในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์อาหารสในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นฉนยัยอาหารสมในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์คือหนึ่งผัสสาหาร2มโนสัญเจตนาหาร 3. วิญญาณอาหารเหล่านี้ เรียกว่าอาหารสใน yep ared, ธรรมที่ไม่นับเนื่องในว yep ัตทุพัตตะหนึ่งในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นฉไนภัตตะหนึ่งในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์คือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสนี้เรียกว่าภัตตะหนึ่งในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นฉน จิตหในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์คือมโนวิญญาณธาตุนี้เรียกว่าจิตหนึ่งในธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ 3. ปริยาปาันาปริยาปันาวานวารัว่าด้วยธรรมที่นับเนื่องและไม่นับนื่องในวัตทุกข์ 1. กามธาตุธาตุในกามภู 9。99. บรรดาขันหขันเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิต 7. จดิตเท่าไรนับเนื่องในกามาธาเท่าไรไม่นับเนื่องในกามาธาหนึ่งพันรูปขันเป็นโลกิยะขันสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอายตนะสิบนับเนื่องในกามาธา อาญาตนะสองที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีธาตุสินับเนื่องในการมาธาตุธาตุสที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีสมุทรยศสัตว์นับเนื่องในการมาธาตุสัจจัด2ไม่นับเนื่องในการมาธาตุทุกขสัตว์ที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีอินทรีสิบ นับเนื in three, three, ่องในการมาธาตุอินทรีสามไม่นับเนื่องในการมาธาตุอินทรีเก้ที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีอกุสลเหตุ3นับเนื mmm ่องในการมาธาตุเหตุ6ที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มี กบลิงการาหารนับเนื่องในการมาธาตุอาหาร3ที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเน in at. ื่องในการมาธาตุก็มีพัทธาหนับเนื่องในการมาธาตุมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีเวทนา6เป็นต้นละสัญญา6เจตนา6กจิตหนับเนื่องในการมาธาตุ มโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในการมาธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในการมาธาตุก็มี 2. รูปประธาต์ธาตุในรูปประภูมิ101บรรดาขันห้าขันเท่าไรนับเนื่องในรูปประธาต์เท่าไรไม่นับเนื่องในรูปประธาต์บรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรนับเนื่องในรูปประธาต์เท่าไหรไม่นับเนื่องในรูปประธาต์หนึ่ รูปขระคันไม่นับเนื่องในรูปประธาตขัน4ที่นับเนื่องในรูปประธาตก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาตก็ม exactly ีอายาตนะ10นับเนื่องในรูปประธาตอายาตนะสองที่นับเนื่องในรูปประธาตก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาตก็มีธาตุ6ไม่นับเนื่องในรูปประธาตผธาตุที่นับเนื่องในรูปประธาตก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาตก็มี สัจจะสไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ทุกขสัจที่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีอินทรีสิบสไม่นับเนื่องในรูปประธาต์อินทรีเก้ที่นับเน <one> ื่องในรูปประธาต์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีอกุศลเหตุสามไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ เหตุหที God, six, nine, achts, six. One, six, nine, nine, ่นับเนื่องในรูปประทัดก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประทัดก็มีกบาลิงการอาหารไม่นับเนื่องในรูปประทัดอาหารสมที่นับเนื่องในรูปประทัดก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประทัดก็มีพัทธะหไม่นับเนื่องในรูปประทัดมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในรูปประทัดก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประทัดก็มี เวทนาหสัญญาหเจตนา6จิตหไม่นับเนื่องในรูปประธาสโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีสาอารูปประธาต์ธาตุในอรูปประภูมิหนึ่นบรรดาขันห้าขันเท่าไรนับเนื่องในรูปประธาต์ เท่าไรไม่นับเนื่องในอรูปธาตุปัญญาจิต7จิตเท่าไรนับเนื่องในอรูปธาตุเท่าไรไม่นับเนื่องในอรูปธาตุหนึ่งพรูปประขันไม่นับเนื่องในอรูปธาตุขันสี่ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอายตนะสิบไม่นับเนื่องในอรูปธาตุ อายตนะสที the at pues nope. at the at ่น mm. ับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีธาตุสิไม่นับเนื่องในอรูปธาตุธาตุสอที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีสัจจะสไม่นับเนื่องในอรูปธาตุทุกขสัจที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอินทรีสิบส ไม่นับเรื่องในอรูปธาตุอินทรีย์8ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีอกุตุรเหตุสไม่นับเนื่องในอรูปธาตุเหตุ6ที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีกบริงการาหันไม่นับเนื่องในอรูปธาตุอาหารสที่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มีที่ไม่นับเนื่องในอรูปธาตุก็มี พัทธะหไม่นับเนื่องในรูปประธาต์มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีเวทนา6สัญญา6เจตนาหจิตหไม่นับเนื่องในรูปประธาต์มโนวิญญาณธาตุที่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในรูปประธาต์ก็มี สีปริยาปันาปริยาปัณะทำที่นับเนื่องและไม่นับเนื่องในวัตทุหนึ่งบรรดาขันห้าขันเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระบรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรเป็นโลกิยะเท่าไรเป็นโลกุตระหนึ่งรูปขันเป็นโลกิยะขันสี่ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี อายตนสิบเป็นโลกิยะอายะตนสองที่เป็นโลกิยะก็มี ท, ที่เป็นโลกุตระก็มีธาตุสิเป็นโลกิยะธาตุสองที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสัจจะสองเป็นโลกิยะสัจจะสองเป็นโลกุตระอินทรีสิบเป็นโลกิยะอินทรีสามเป็นโลกุตระอินทรีเก้าที่เป็นโล กิยาก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอกุตลเหตุสเป็นโลกิยะเหตุ6ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีกบาลิงการอาหารเป็นโลกิยะอาหารสามที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีพัทธาหเป็นโลกิยะมโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี เวทนาหสัญญาหเจตนา6จิตหเป็นโลกิยมโมนโวิญญาณธาตุที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี 4. ธรรมทัศนาวานวาระว่าด้วยการแสดงธรรม 1. กามธาตุธาตุในกามภูมิ 1. นในขณะเกิดในกามธาตุขันธ์เท่าไรปรากฏ จิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในการมาธาตุขันห้าปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกอายตนะสิบอปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะสิบปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะสิบเหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะเก้าปรากฏแก่สัตว์บางพวกอายตนะเจ็ปรากฏแก่สัตว์บางพวก ห้อปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุสิปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุสิเหล่าอ e ื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุเปรากฏแก่สัตว์บางพวกธาตุเจปรากฏแก่สัตว์บางพวกสัจจะหนึ่งปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกอินทรีย ah ิบสปรากฏแก่ส <un> ัตว์บางพวก อินทรีสิปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรี13เหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรี12ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรี10ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรี9ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีเก้เหล่าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีแปปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรี8เหล่าอื่นอีก ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีเจ็ปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรีห้าปรากฏแก่สัตว์บางพวกอินทรียหกปรากฏแก่สัตว์บางพวกเหตุ3ปรากฏแก่ส allora ัตว์บางพวกเหตุสองปรากฏแก่สัตว์บางพวกอเหิษตุกะวิบากปรากฏแก่สัตว์บางพวกอาหารสปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวก ปัสสัหนึ่งปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกหนในขณะเกิดในกามาธาตุขันห้าเหล่าไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกรูปขันเป็นต้นละวิญญาณขันในขณะเกิดในกามาธาตุขันห้าเหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกหนึ่งพ ในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะ11ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะ11คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะ 4. ีคานายตนะ 5. คันทายตนะ 6. ชิวหายตนะ 7. รัศายตนะ 8. กายายตนะ 9. โคตพายตนะสิบมนายตนะสิบเอ็ดธรรมายตนะปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะเกิดในกามธาตุอายตนะสิบเอ็ด ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิบปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิคือ1บรูปายตนะสโสตายตนะสาคานายตนะสคันทายตนะหชิวหายตนะหรัสายตนะเกายายตนะแปดโพธายตนะ เก้มามนายตนะสิบทธรรมายตนะปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุ อายตนะสิบอื่นอีกปรากฏแก่จัดพวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิบคือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. าานายตนะ 4. คันธายตนะ 5. ชิวหายตนะ 6. รัสายตนะ 7. กายายตนะ 8. ปดพธพาายตนะ 9. มนายตนะและ10บ ธรรมายตนะปรากฏแก่เปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแตก่กำเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะเก้าปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะเก้าคือ 1. รูปายตนะสองคานายตนะ 3. คันทายตนะ 4. ชจิวหายตนะ 5. รษายตนะ 6. กายายตนะ 7. โพธพายตนะ 8. มนายตนะและ 9. ธรมายตนะปรากฏแก่เปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปปาติกะสัตว์และสัตว์นรก ซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กําเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะเปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะ7ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะเจคือ 1. รูปายตนะสคันไายตนะสารัศ า, ายตนะส กายายตนะห้าโพธพายตนะหมนายตนะเธรรมายตนะปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในคันในขณะเกิดในกา마ธาตุอายตนะเจเหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้10ึ่นในขณะเกิดในกา마ธาตุธาตุ11ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกา마ธาตุธาตุสิอ 1. จักขคูธาต์ 2. รูปปธาต์ 3. โสตธาต์ 4. คาณธ า, าต์ 5. คันธาต์ 6. ชิวหาธาต์ 7. รัตธาต์ 8. กายธาต์เโพธพธาต์ 10. มโนวิญญาณธาต์และอธรรมธาต์ ปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับเปรตอสูรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะเกิดในกามาธาตุธาตุสิอปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามาธาตุธาตุสิบปรากฏแก่สัตว์พวกไหน ในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุสิบคือ 1. รูปธาตุสโสตธาตุสคานธาตุสคันธาตุห้จิวหาธาตุหรถสธาตุเกายธาตุแปดโพธพธาตุเมโนยานธาตุและสิธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกัต์ และสัตว์มารกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุสิปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอายตนะสิบอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุสิบคือ 1. จักขคูธาตุสรูปปัฏฐาตสามคานาธาตุสคันทะธาตุ ห้า <5. S 2> ชิวหาธาตุหกรัตธาตุเจ็ดกายธาตุแปดโพธปธาตุเก้ามนุญญาธาตุและสิ 10. ธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรชนผู้เป็นโอปปาติกะสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในกามธาตุธาตุสิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ ในขณะเกิดในการมธาตุธาตุปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมธาตุธาตุคือ 1. รูปธาตุสองคานธาตุสคันธาตุ 4. ชิวหาธาตุ 5. รสธาตุ 7. กายธาตุ 8. มโนวิญญาณธาตุ 9. ธรรมธาตุปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดวรสชานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์ และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กําเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุเเหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุเปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุเคือ 1. นึ่งรูปธาตุสองคันธธาตุสรสธาตุจีกายธาตุหโพธพธาตุหกมโนยานธาตุ และเจตธรรมธาตุปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในคันในขณะเกิดในการมาธาตุธาตุเจเหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้1นึ่ในขณะเกิดในการมาธาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏแ ก, ก, 1, 11, ก, ก่สัตว์ตทุกจําพวกสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกข์สัตว์ในขณะเกิดในการมาธาตุ สัจจะนี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวก1 12, นกึในน 14, น่ในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีสิบสปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตุอินทรีสิบสคือ1จักขุนสี่สองโสตินรี่สาคานินรียสีชิวหินรี่ห้กายินรี่หกมณินรี่เจอิจฉินรีย์ หรือปุริสินสีแชีวิตินสียกโสมนัสสินสีหรืออุเปกินสีส10สัตตินสียิอวิริยินสียิบสสตินสียิบสมสมาตินสี 14. ปัญญินสีปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรผู้เป็นเสหตุกษัตย์ตัประยุติญาณ ในขณะเกิดในกามาธาตุอินทรีสิบสเหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามาธาตุอินทรีสิบสปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามาธาตุอินทรีสิบสคือ 1. จักขุนสีสองโสติน4ีสคานินรียี่ชิวหินสีห้ากายินรีห6มะนินรีเจ็อิฐถินรี หรือปุริสินสีแชีวิตินรียกโสมนัสินรีหรืออุเปกขินรี 10. สัตตินรีย1 1วิริยินรียิบสสัตตินรียิบสมสมาธิน ส, ส, ส, ส, นสีปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวาจรผู้เป็นสเสหตุกษัตย์วิปยุจจากญาณในขณะเกิดในกามธาตุอินรีสิบสาม ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบสอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบสอื่นอีกคือ1จักขุนสีโสตินสี่สามคานินสี่สี่ชิวหินสี่ห้ากายินรี่หกมณินสี่เจดอิจฉินสี่ หรือปุริสินรียปดชีวิตินรียกโสมนัสสินรี 10. หรืออุเปกินรี 10. สิบสตินสียิ1เวิริยินรี 12. สิบสสติน 13. สีและส3สามาถินรีปรากฏแก่มนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับผู้เป็นสเหตุกษัตริย์สัมพยุตได้ยานในขณะเกิดในกามทธาตุอินสี13า ปรากฏแกะสลว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบสปรากฏแก่สลักพวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบสคือ 1. จักขุนศีสโสตินรีสามคานินรียี่ชิวหินรีห้ากายินศีห 6. มณินศีเจ็ดีวิตตินรียปดโสมนณสินรีหรืออุเปกหินรีย 9. สัททินรี0วิริยินรีสิบเสตินรียิบสสมาตินสีปรากฏแก่มนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับผู้เป็นสเสหตุกษัตริย์วิปยุตจากยานในขณะเกิดในการมาตาอินสียิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาตา อินทรีสิบปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบคือ 1. กายอินทรี 2. มณินทรี 3. อิทธิอินทรีหรือปุริอินทรียีชีวิตอินทรีย้โสมนัสอินทรีหรืออุเปกขินทรี 6. สัตทินทรียจ็ดริยินทรีแปดเจตินทรี 9. สมาอินทรีและ 10. ปัญญินทรี ปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในกานผู้เป็นเหตุตุกษัตริย์สัมพยุติญาณในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสิบปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีย์9คือ1กายอินทรีสองมนินทรียามอิจฉินินทรีหรือปุริสินสินทรียี่ชีวิตอินทรีย์5โสมนัสอินทรีย์ หรืออุเปกินรีหกสตินรียจ็วิริยินรีแปดสตินรีเก้สมาธินสีปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในคันผู้เป็นสเสหตุกสัตว์วิปยุตจากยาณในขณะเกิดในกา마ธาต์อินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาต์อินทรีเก้าอื่นอีกปรากฏแก่สัตว์พวกไหน ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรียก้าอื่นอีกคือ 1. จักขุนสีสโสตินรีสามคานินสีย 4. ชิวหินสีห้ากาทรีห 6. มณินรีเจ 7. อิทธินรีหรือปุริสินรีแชีวิตินรีและ9กาอุเปขินสีปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว และสัตว์นรกซึ่งมีอายตนะครบบริบูรณ์ในขณะที่เกิดในกามธาตอินทรีย์9ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในกามธาตอินทรีย์8ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในกามธาตอินทรียปดคือ1นโสตินรีสองคานินทรีสามชีวหินรีส4่กายินรีห้ามนินทรีห 6. อิจินรีย์หรือปุริสินรีย์ 7, ชีวิตินทรียปอุเปกขินสีปรากฏแก่เปรตอสูรกายสัตว์เดวรจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรียปปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทร์อีกอื่นอีก ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีแปดอื่นอีกคือ 1. จักขุนทรีสองคารินทรี 3. ชีวินทรี 4. กายินทรีหมนินทรี 6. อิทธินทรีหรือปุริสินทรี 7. จชีวิตินทรี 8. อุเปกขินทรีปรากฏแก่เปรตอสุบวรกายสัตว์เวรฉาน ผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรียปดปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรียจ็ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีเจ็คือ1คานินทรีสองชีวินทรีสามกายินทรีย สี 4, มันินสีหอิตินสีหรือบุริสินสีห 6. ชีวิตินสีเจดอุเปกขินสีปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานผู้เป็นโอปปาติกสัตว์และสัตว์นรกซึ่งมีตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิดในขณะเกิดในการมาท้าอินสีเจ็เหล่านี้ปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ ในขณะเกิดในการมธาธาตุอินทรีห้าปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมธาธาตุอินทรีย้าคือ1กายอินทรียองมันินทรียามอิจฉินทรียหรือปุริสินทรียี่ชีวิตอินทรีและหอุเปกินทรีปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในคันเว้นปุงสกษัตริ์ผู้เป็นนาเหตุุกะในขณะเกิด ในการมาธาตุอินทรีห้าปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสี่ปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีสี่คือ1กายอินทรีสองมนินทรีสามชีวิตอินทรีสี่ 4. อุเปกขินทรีปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดในคันผู้เป็นอเหตุกะเป็นณนะ ปุงศกดิ์สัต์ในขณะเกิดในการมาธาตุอินทรีแปดปรากฏแก่สัตว์พวกนี้1 น, น, นึ่ในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสามปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสามคือวิปากเหตุหรืออโลภะวิปากเหตุคืออโทสะและวิปากเหตุคืออมโมหะ ปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับสัตว์ผู้เกิดในคันซึ่งเป็นเหตุตุกษัตริย์สัมยุตติยานในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสปรากฏแก่สัตว์พวกนี้ในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสองปรากฏแก่สัตว์พวกไหนในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสองคือวิปากเหตุ คือโลภะและวิปากเหตุคือโทสัตปรากฏแก่เทวดาชั้นกามาวจรมนุษย์ผู้เกิดในสมัยต้นกับสัตว์ผู้เกิดในคันซึ่งเป็นเหตุตุกษะวิปยุจจากญาณในขณะเกิดในการมาธาตุเหตุสองปรากฏแก่สัตว์พวกนี้อเหตุตุกวิบากปรากฏแก่สัตว์ที่เหลือจากนั้น 1014ในขณะเกิดในการมาธาตุอาหารสี่เหล่าไหนาปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกอาหารสี่คือ1กบเริงการอาหารสองผัสสะอาหารสมโนสัญเจตนาอาหารและ4วิญญาณอาหารในขณะเกิดในการมาธาตุอาหารสี่ปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกในขณะเกิดในการมาธาตุผัสสะหนึ่ง ข้อไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกภัทธะหนึ่งข้อนี้คือมโนวิญญาณธาตุสัมผัสในขณะเกิดในการมาธาตุพัสธะหนึ่งข้อนี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกในขณะเกิดในการมาธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏแก่สัตว์ทุกจําพวกจิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุ ในขณะที่เกิดในการ ม, มาท่าจิตหนึ่งนี้ปรากฏแก่สัตว์ทุกจำพวก